ตั้งใจหลับตาเจริญสมรติภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาคาดลูกควาสบายสบายหลับตาเบาเบ พ่อนลกพ่อสบายสบายอย่ถึงกับปิดสนิทเหมือนคนเม้มตาบีเปลือกตาพ่อสบายสบายถ้าเราหลับตาเป็นเนี่ยใบหน้ามันจะผ่อนคลายรอยให้ร่างกาย ผ่อนคลายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องหลับตาเนี่สำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนให้ดีทีเดียวหลับเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายเลย แล้วก็โควมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือประมาณเอากะกะเอาแบบประมาณนี้ ตรงนี้แล้วใช้ใจนึกเมื่อเรานึกถึงภาพมหาธรรมกายเจดีนึกธรรมดาอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีนึกธรรมดาอย่างนั้นมันนึกถึงบริกรรมมณีมิตร เป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดชอบแลาคุ้นเคยในการนึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึก เท่าที่เราจะนึกให้เห็นได้เป็นภาพทางใจซึ่งมันไม่เห็นทันทีเหมือนภาพที่เราเห็นในลุกในตาเนื้อตาในเราลืมตามองดูอะไรมันก็เห็นชัดทันทีแต่อยู่ใกล้ก็ชัดมากอยู่ไกลก็ชัดน้อย ของใหญ่ก็ชัดมากของเล็กก็ชัดน้อยดวงตาภายนา อ, อกมันเห็นชัดทันทีเนี่ยถ้าเทียบสมมติว่าเป็นเปอร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นหลับตาเนี่ยเรานึกถึงภาพทางใจก็จะมีสองประเภทก็บางคนก็นึกออกบางคนก็นึกไม่ออก ที่นึกไม่ออกเพราะว่าไปตั้งใจมากเกินไปทั้งๆ ท, ที่เราก็เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงแก้วลูกกลมๆเจิงเป็นชาวพุทธพุทธรูปเราก็เคยเห็นทำด้วยวัสดุต่างๆเป็นโลหะมั่งเป็นอิดหินปูน รัตนชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วนึกมันต้องเห็นแต่บางคนนึกไม่ออกนี่ก็จะมีนึกออกกับนึกไม่ออกนึกไม่ออกก็าจะเป็นอย่างก่าวนั่นแหละตั้งใจมากกันไปนึกออกแต่ว่าไม่ชัดเจนเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก ว่าภายนอกเทียบไปรบางคนนึกออกภายในกลางท้องเราสองอร์ซมึงหอมึงสอยี่สบซอันนายนก็จะมีสักคนหนึ่งหเจดสไม่เคยจะเจอาใครหลับตาและเห็นทีเดียว1ร้อยเอร์ซ จากผู้มีบุญที่สั่งสมการปฏิบัติธรรมข้ามชาติมามากนั่นเรายกเอาไว้ละธรรมมามากลำบากมามากยากมามากเมื่อบุญส่งผลมันก็ง่ายมากๆเราต้องยอมรับตรงนี้กันก่อนว่า เราอยู่ในประเภทที่นึกได้ไม่มากนะักชัดบ้างไม่ชัดบ้างเหมือนของที่ตั้งอยู่ในที่มืดบ้างสลัวบ้างเมื่อเรายอมรับตัวเราเองเป็นอย่างนี้และเข้าใจว่าการเห็นดั่งใจกับการเห็นด้วยลูกเดตตาเนื้อมาต่างกัน ความทุกข์ใจมันก็จะไม่มีความกังวลใจกลัวจะไม่เห็นมันก็หมดไปความตั้งใจมากเกินไปลุ้นเล่งเพ่งจ้องก็จะไม่หลงเหลือถ้าไม่บอกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเผลออลูกในตากดลงไปดูเลอไปเค้นภาพจนปวดศีรษะปวดกระบอกตา เห็นภาพเต่ทางการในภาพมันชัดเจนหรือไปควานหาอะไรในที่มืดนี่ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะพลอยเบื่อหน่ายในการทำสมาธิเพราะว่าไม่ได้สุขที่เกิดจากสมาธิทำให้เบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยน้อยใจ พาใจผิดว่าบุญเรามีน้อยวาสนาน้อยแต่ความจริงทำไม่ถูกวิธีและวไม่้าใจธรรมชาติของการเห็นทางใจและมมันเป็นอย่างไรกับวัตถุประสงค์การนึกภาพภายในกลางทองมาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงกับทางการให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว มาหยุดนิ่งหยุดภายในศูนย์กลางกายฐานทีเจ็ดซึ่งเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยในตัวแต่เราไม่คุ้นเคยกับการทำสิ่งเหล่านี้คุณในการสร่งใจไปข้างนอกไปคิดในเรื่องราวต่างๆเราคุ้นอย่างนั้นเราไม่คุ้นที่จะอาใจาไปวางภายใน แสดงวัตุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งนิ่งหยุดภายในกลางกายเพราะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรืออย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในได้เข้าถึงแสงสว่างภายในถึงดวงธรรมกายไปในองค์พระใส ก็นั่นหยุดนี่สำคัญเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่คือวัตถุประสงค์ของการนึกภาพทางใจไว้ที่กลางกายนี่นะจ้าทัางทำความเข้าใจดีแต่เริ่มต้นกาบใจมันยังคงไม่หยุดง่ายๆอย่างอย่างนั้นหรอกมันได้เป็นบางคน เพราะนั้นเริ่มต้นเราก็ต้องเอาให้ใจมันอยู่ซะก่อนอยู่ภายในบริเวณกลางท้องโดยทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงนี้มีดวงแก้วใสๆมีพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้รู้สึกว่ามีไปก่อน และก็รักษาความรู้สึกนั้นให้มันต่อเนื่องกันไปอย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าห้ามมันไม่ได้มันจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นด้วยความคุ้นเคยทินก็ช่างมันพอเรารู้ตัวเราก็กลับมาใหม่และเรายัางเป็นนักเรียนยังฝึกฝนอยู่กลับมาใหม่พร้อมทั้งบริกรรมภาวนาในใจกำกับไปด้วย บริกรรมภาวนาเบาๆสบายๆคลายกับเสียงบทสดมนที่เราคุ้นเคยหรือบทเพลงที่เราเคยได้ยินเราคุ้นเคยให้เสียงนั้นดังออกมาจากในกลางท้องต้องกลางท้องซึ่งใหม่ๆเนี่ย เราจะคุ้นกับสมองจะสดจะท่องจะภาวนาก็จะคุ้นว่าท่องสมองแล้วก็เปลี่ยนความคุ้นมาที่กลางท้องบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆสยัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรมดังออกมาจากในกลางดองบริเวณแถวฐานที่เจ็ดทำประหนึ่งว่าเป็นเสียงแห่งความบริสุทธิ์ที่มาจากแหล่งแห่งอนุภาพที่มีมประมาทในอายตนะนิพพานที่เรายังไปไม่ถึงนูน้นพามาในกลางกาย ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราให้หมดสิ้นไปขจัดทุกสกโรคภัยอุปัสรรคต่างๆนานาในชีวิตบัดาบาศศักิมีบากําวิบากมาให้หมดสิ้นไปภาวนาอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับการภาวนาบันเทิงใจ สัมมาอรังสัมมาอหังเรื่อยไปอย่าไปคิดว่ามันจำเป็นต้องทำอย่างนี้จำยอมต้องทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขเพราะคำว่าสัมมาอรังนั้นมีอานุภาพมากมีความหมายที่สูงสง่งสัมมาก็ยอมมาจากมร ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเรื่อยไปถึงสัมมาส ม, มาธิการทําสมาธิชอ บ, บรวมถึงการประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจเป็นต้นก็คือให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในความหมายของสัมมายเยอาอรหัง ก็จะห่างไกลจากกิเลสจากความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่ไม่ดีมีบากกระ ม, มิบาส ม, มีบัตรบาสักสิทธิ์ชีวิตที่ผิดพลาดที่ผ่านมาและจะห่างไกลจากสิ่งนั้นจนกระทั่งใจนั้นสะอาดบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ในระดับที่เห็นความบริสุทธิ์ด้วยใจของเราได้เพราะฉนั้นคำว่าสัมมาอรหังนั้นนะ่ะจึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และสูงสง่งทุกคำที่เราภาวนาในใจนะใจเราจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณากาศถาน เห็นจำคิดรู้สะอาดไปหมดนะสัมมาอรังเมื่อความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นในใจแทนที่ความไม่บริสุทธิ์อนุภาพอันไม่มีประมาณนั้นก็จะติดตามมาด้วยทำให้ใจเรามีพลังก็จะทำแดกสิ่งที่ดี มีพลังที่จะกล้าละความชั่วมีพลังที่จะทำความดีและมีพลังที่ทำให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระสมมาสมัมพุทธเจ้าทีเดียวแต่ภาวนากับคำว่าท่องเนี่ยความหมายมันจะแตกต่างากันท่องนี่เราต้องใช้กำลังในการนึก การคิดการพูดอนะไรอย่างนั้นแม้ท่องในใจก็ยังต้องใช้กําลังแต่ถ้าภาวนาเนี่ยมันละเอียดไปกว่านั้นคือเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดเป็นสํานึกลึกๆที่ดังออกมาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ใช้กําลังในการท่อง เรียกว่าภาวนาแง่สัมมาอรังสัมมาอรังใหม่ๆเราต้องยอมให้เป็นการท่องทั ก, ก่อนเพื่อให้คล่องปากให้ขึ้นใจแต่ต่อไปมันก็จะปรับของมันไปเองไปสู่ในระดับของคำภาวนาคือเป็นเสียงละเอียด สำนึกลึกๆที่มันดังออกมาเองจากในกลางท้องของเราเมื่อเราคล่องปากขึ้นใจแล้วเนีย่ย mm. ก็จะผ่านมาในกลางทอง้องกลางกายนั่นเองแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายคือกลางท้องเราคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆ mm. ก็จะทำให้ใจเนี่ยอยู่ อยู่ในตัวอยู่กับเนื้อกะโตอยู่ในกลางท้องเราพอเป้าหมายเราคือฐานที่เจ็ดจะอยู่บริเวณแถวๆนั้นจนกระทั่งถึงจุดจดหนึ่งเมื่อมันถูกส่วนเขาคือมันความพอดีมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองใจก็จะหยุดนิ่ง พอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคาภาวนาไปเองคือหมดความจําเป็นที่จะต้องประคองใจแล้วหมดความจําเป็นที่จะเป็นพ่เลี้ยงของใจประคับประคองให้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อถึงที่หมายแล้วคํำภาวนาสัมมาระหังนั้นนะก็หมดความจําเป็นเยียรชัย เมื่อเลือดจ้างที่เจ้ามาส่งถึงฟังแล้วก็จอดที่ริมฟังหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปไม่จะเป็นจะต้องแบกหรือจ้างขึ้นฟังไปเพราะฉะนั้นถ้าลราภาวนาถึงจุดแห่งความสมบูรณ์ของหน้าที่การประคองใจ หน้าทีของการเป็นกัลยาณมิตรในกระใจคำภาวนาะนั้นก็จะเลือนหายไปเองจักทั่งเราเคยขอารู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างนี้อย่างเดียวแล้วคำว่านิ่งนุ่มละมุนละมอยจะรู้จักตอนที่ใจหยุดจริงๆนั่นแหละ คือมันนุ่มจริงๆใจมันละเอียดออลงไปละเยียดลงไปละมุนแต่มีพลังแล้วพอถึงตอนนี้มันก็จะปรับสภาพความรู้สึกที่ร่างกายที่เคยทึบมันก็จะโล่งโปรง่งที่เคยหนัก ร่างกายหนักๆมันก็จะเบาที่เคยลำบากก็จะสบายโล่งโปร่งเบาสบายที่คับแคบมันก็จะขยายแล้สึกตัวขยายกว้าง อ, อกไปเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลงเข้าไปเนี่ยค่อยๆพองโตขึ้น แต่ลูกโป่งยังมีข้อจำกัดในการพองโตมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ใจหยุดติ่งแล้วอนาะการพองโตของกายและใจนั้นมันไม่มีขอบเขตตั้งแต่พองโตใหญ่กว่าตัวเราถ้าเรานั่งที่บ้านก็ใหญ่กว่าห้องนั่งในสภาธรรมกายสาคนก็ใหญ่ ขนาดสภาธรรมกายสากลบ้างใหญ่กว่านั้นบ้างจึงทั่งกลมกลืมไปกับบรรยากาศคือมันขยายหายไปเลยโตยังไม่มีขอบเขตใจก็จะขยายความรู้สึกที่ร่างกายก็หายไป อะไรน้ำหนักแต่มีความสุขยังไม่มีประมาณบังเกิดขึ้นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นรางวาัลสาหรับผู้ที่มีความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างถูกลักวิชาเป็นรางวาัลสาหรับผู้ที่ให้ความสำคัญาก่บการฝึกใจหยุดใจนิ่ง คความสุขมันจะเกิดขึ้นกายกับสบายใจกับสบายเบิกบานทีเดียวเหมือนอยู่กลางอวกาศที่ไม่มีขอบเขตเคว้งคว้างแต่นิ่งกว้างขยายไปทุกที่ทุกทางแต่มีจุดจุดหนึ่งที่นิ่งเป็นหลักของอาการที่ขยายออกไปรอบตัวนั้น แล้วก็เราจะเริ่มสัมผัสความใสของใจได้ที่ว่าได้ยินไปว่าใจใสเราจะเริ่มสัมผัสเหมือนเข้าไปสู่ขอบเขตนะรมแดนของความใสอาณาจักรความใสของใจ จะเริ่มสัมผัสตรงนั้นแล้วาจก็จะนิ่งต่อไปอีกคือความนิ่งมันก็จะนิ่งยิ่งขึ้นจนนิ่งในระดับที่มันไม่เคยยืนคือมันนิ่งแน่นแต่แน่นที่ไม่อึดอัดแน่นที่มีความสุขคือขอบเขตอาณาจักรนั้นนะ่ะเต็ไมไปด้วยความนิ่ง สมมติว่าเราขยายตัวขยายไปเท่าทองฟ้าถ้าเราจะเขียนคำว่านิ่งเนี่ยมันโตเต็มทองฟ้านิ่งอย่างนั้นแหละและความรู้สึกเราก็เลยความรู้สึกที่อยู่ในโลกใบนี้ที่มีขอบเขตจำกัดเมื่อเราตัดเส้นรอบวงมันออกไป อาณาจักรของใจลู้เหมือนว่ามันไปสุดขอบฟ้าฟ้าที่ไม่มีฟ้าครอบฟ้าที่ไม่มีขอบเขตและความสว่างก็จะเรื่องรองขึ้นมาบ้างก็เหมือนฟ้าส า, สางตอนตีห้าในฤดูร้อน มากัสว่างเหมนหโมงเช้าสว่างเหมือนห็นแสงเงินแสงทองในยามบรุโนดไทยดวงอาทิตย์ขึ้นความสว่างนั้นมากกับความสุขที่เพิ่มขึ้นความสุขจะเพิ่มพื้นไปตามความสว่างเป็นแสงสว่างภายในที่น่ามหัศจรรย์ เาหลับตาแล้วมันไม่มืดแสงสว่างที่ใสเหมือนแสงแก้วที่เนียนตาละบุญใจความสว่างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยไปเมื่อใจยิ่งนิ่งยิ่งหยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นกระทั่งไปถึงความสว่างเราดูดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน เป็นความสว่างที่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางความสว่างนั้นก็ใสบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งหนึ่งยิ่ ง, ง, ง, งสว่างกว่า น, นั้นเพิ่าไปอีกเราคุ้นเคยกับความสว่างแค่ดวงอาทิตย์ยามที่ิ่งวันซึ่งถือว่าสว่างที่สุดเท่าที่ตามนุษย์เราจะเพิ่งเห็นได้ แต่แสงสว่างภายในมันยิ่งเนนั้นมันเป็นความสว่างที่มันไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เราไม่คุ้นเคยไม่ทราบว่าจะใช้คำว่าอะไรเพราะควาว่าเที่ยงวันในโลกมนุษย์คือที่สุดแห่งความสว่างของดวงอาทิตย์เลยไปก่อนนั้นแสงสว่างม็จะหลีลงไป เ, เลยเลย แต่ที่มันสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะถ้าจะเทียบก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสักสองดวงมาขยายความสว่างน้ำเพิ่มขึ้นแต่ความไม่แสบตาเคืองตาก็ยังคงเดิมยิ่งเจอจ้าก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบาน เราจะรู้จักคำว่าเบิกบานเมื่อความสว่างภายในมันงเกิดขึ้นในยามที่ไรน้ำหนักไคร้ความรู้สึกของความเป็นตัวเป็นตนของร่างกายมันเหมือนอาการขยายของดอกโบวที่ได้รับแสงตะวันและมันคลี่ขยายกลีบ แบ่งบ้านแต่นแบ่งเพียงข้ออุปมาเท่านั้นแต่นี่คืออาการขยายของใจซึ่งแต่เดิมมันเคยรคับแคบอึดอัดอึดอัดรับแคบถูกจํากัดอายุนขอบเขตแห่งความโศกเศร้าเสียใจรับแค้นใจลำพิลัยลำพันเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มอะไรอย่างนั้น ตอนี้อาการเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่มีหลงเหลืออยู่เลยไม่รู้จั ก, กว่ามีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมันจะสบายอย่างที่เราก็ไม่ทราบว่าจะไปเทียบกับอะไรเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสบายเท่าแต่วลาเราจะประสบความสําเร็จในชีวิต แบบชาวโลกในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเราก็ได้แล้วเราก็มีแล้วเราก็เป็นแต่มันก็ไม่ทำให้ใจเราอิ่มหรือพองโตขนาดนี้นะใจเราจะใสจะบริสุทธิ์ซึ่งมันดึงดูดให้ใจ น, น, นั้นนิ่งแน่นหนักขึ้นไปเรื่อย ถึงในระดับที่เราเห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างภายในนั้นบ้างก็เป็นจุดเล็กๆ เ, เหมือนดวงดาวในอากาศบางก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบางก็โตขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบางก็ใหญ่กว่านั้นบ้างก็ท่ากับฟองไข่แดงของไก่ คือพถึงแหล่งกําเนิดของแสงที่โตเท่ากับฟองไขแดงของไก่เราจะนึกอะไรไม่ออกเลยในโลกที่เราจะไปเทียบกับขนาดของแหล่งกําเนิดของแสงสว่างภายในดังกล่าวนั้นนอกจากฟองไข่แดงของไก่ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็นแล้วแต่เมื่อใจหยุดนิ่งมาถึงในลระดับ ที่เห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างภายในโตขนาดนี้จะใช้คำนี้ทั้งสิน้นนี่คือความมหาศัรรย์ท์ของใจที่เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนโตเทกับฟองไข่แดงของไก่ใส ความใสตรงนี้จะชัดเจนกว่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราแคเขตนอาณาจักรแห่งความใสของใจแต่พอเราเห็นดวงใสใสที่เกิดขึ้นนีนะ้เราจะเข้าถึงความจริงความหมายของคำว่าใสมันจะเป็นดวงใสใสบ้าง ก็เรียกว่าดวงแก้วเพราะว่าไม่รู้จักแต่ก็ยอมรับว่าเราไม่อาจจะเรียกว่าดวงแก้วได้เพราะดวงแก้วเราก็เคยเห็นเห็นแล้วมันก็ธรรมดาธรรมดามันกลมเหมือนกันจริงแต่นี่มันใสกว่าสว่างกว่าสําคัญที่อารมณ์ที่สุขเขาเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นสุขนะใจเป็นสุข สุขยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวและดูเหมือนดวงนั้นมีชีวิตคือมันขยายได้้วบางมันฟ้องเมาบางจริงแล้วนิ่งแล้วมันชวนดูดชวนหยุดใจไปอยู่ตรงนี้จริงแล้วนิ่งนุ่มหนักเข้าไปอีก ดวงนั้นจะขยายแต่ดวงแก้วภายนอกเนี่ยเรามองเท่าไรมันก็โตเท่าเดิมและความรู้สึกว่าดวงข้างในกับ ด, ดวงแก้วข้างนอกนั้นมันกลมไม่เหมือนกันทั้งทั้งในดวงแก้วข้างนอกล้วก็เจริในกลมดิกเลยแต่พอถึงดวงสว่างภายในที่เป็นต้นแหลงกำเนิดของแสงสว่างความลสุอียดภายในนั้น เราจะมีความรู้สึกกระตรงนี้กลมกว่าดวงแก่ข้างนอกดูเหมือนมันยังไม่ค่อยกลมมันก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็น่าทึ่งน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่เราก็จะมีปิติใจจยสงบนิ่งเราจะรู้จักคำว่า โอเบขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือใจมันจะเป็นกลางกลางมันจะเป็นกลางกลางแต่มีความสุขด้วยโอเบขาที่มีความสุขโอเบขาบางชนิดเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่พอถึงนิ่งตรงนี้แล้วก็ เป็นดวงใสๆ ใ, ใจมันนิ่งเป็นกลางกลางแล้วบริสุทธิ์มีความสุขมากกลางดวงธรรมนั้นน่จะเชิญชวนให้เราเข้าไปสู่ภายในจะดึงดูดเข้าไปเพื่อจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ย เราเป็นความรู้คู่ความบริสุทธิ์ความรู้คู่ความสุขมันก็เกิดขึ้นเราจะมีหลักของใจแล้วนะใจจะมีที่ยึดที่เกาะไม่ว่าเว่ไม่เหงาไม่สัสดสายไปที่อื่นเลยแล้วก็จะชวนให้เราสมัครใจนั่งสมาธิทุกวัน ไม่ฟื้นไม่พยายามนั่งเหมือนความรู้สึกเก่าๆที่ผ่านมาเราต้องฟื้นเราต้องพยายามที่จะนั่งทำความเบียนแต่ที่ฉันทะมันเกิดขึ้นเองคือครักที่จะหยุดใจไว้ตรงนี้มีฉันทะวิริยะมันก็ตามมาความเพียรมันจะต่อเนื่อง โดาไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรษคใจจะจดต่อทั้งวั น, นั้นคืนเลยนั่งนอนยืนเดินจะกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรถเหยียดแขนกู้แขนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันอยากอยู่ตรงนีนะ้อยู่ที่เดียวเลยใจก็จะตรวจตราอยู่ที่ตรงนี้จะหยุดจะนิ่งเข้าไปเล ย, เลย แล้วเดี๋ยวเราก็เห็นไปตามลำดับอันนี้สองใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับเราเลยคือความรู้สึกว่าเราได้ถอดออกจากมีบาปกรรมทีละเล็กทีละน้อยเพราะรู้สึกแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่หลุดพ้นจากชีวิตที่ผิดพลาดดังกล่าวใจมันจะเข่งเกลี้ยง รู้สึกสะอาดขยายมหากรุณาก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยคืออยากให้ทุกคนในโลกได้เห็นเหมือนเราเขาถึงเหมือนเราโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเป็นเบื้องต้นอย่างนั้นแหละความรู้สึกตัวนี้ก็ค่อยๆบังเกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยต้องมันฝึกฝนอบรมใจนะจ๊ะฝึกไปเรื่อยๆและสักวันหนึ่งเราจะได้ครอบครองความรู้สึกชนิดนี้ใจเราจะเบิกบานเราจะแช่มชื่นนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุข ทุกอริยาบทมันก็จะเป็นสุขไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นทุกเพียงใดใจมันก็มีหลักของใจนะมันก็จะยึดตรงนี้แล้วก็จะมีดวงปัญญาคือความรู้ที่พอเหมาะกับปัญหาที่เราจะแกนก็จะเกิดขึ้นมาเองเวลาหลับมันจะหลับอยู่ตรงนี้อยู่ในกลางความสวา่าง แตกตายจะเคยหลับในความมืดคลุคมเครือมึนซึมตึงเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวหลับแบบขาดสติตรงนี้หลับแบบมีสติหลับที่มันอิ่มเราจะเห็นว่ากายหยาบทานณัตติพักพรแต่กายละเอียดภายในก็ยังคงทำสมาธิ เราจะเห็นความแตกต่างดาเหมือนว่าเราก็หลับปกติแต่เหมือนประเดียวเดียวหลับอยู่ในกลางความสว่างตื่นนํามาเนี่ยก็ตื่นอยู่กลางความสว่างแล้วก็ดึงออความสุขภายในออกมาขยายสู่ภายนอกด้วยจ ะ, จะค่อยๆขยายออกไปความสุขที่ ติดออกมาจากการตื่นในกลางดวงธรรมใสๆความสว่างภายในและชีวิตในวันใหม่ของเราก็จะสดใสตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารกระทั่งไปทำมาหากินไปเรยียนหนังสือหนังหทุกคนต้องแห่งเราก็จะเป็นแสงสว่างให้กับทุกสถานที่ อย่างมีความสุขแล้วก็บันเทิงใจเพราะนั้นต้องมันฝึกนะลูกนะมันฝึกฝนอบรมใจนะแล้วลูกจะเป็นบุคคลที่คลายขยะอยากจะเป็นแบบลูกเราจะไม่น้อยเนื้อต่าใจเหมือนการเวลาที่ผ่านมาว่าทําไมไม่เราไม่รวยอย่างเา้าไม่มีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์อย่างเา้าเรามันต่ำต้อยอะไรต่างาพวกนั้น มันนัที่ตีละน้ำก็จะหมดไปหรือย่งางงก็ระ ง, งับไปเพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเลยใจมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยหยุดอยู่ตรงเนี้ยสว่างเดี๋ยวจิตดำเนินก็ไปเรื่อยๆอยกัทังถึงองค์พระภายในเราจะเป็นมนุษย์ประศักษ์ที่มีพระในตัวเห็นตลอดเวลา ชัดใสแจม่มเดียวเป็นปุถุชนที่มีพระภัยในเป็นครหัสที่มีพระภัยในที่ยังวนอยู่ในโลกนี้แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ไม่ตกเป็นาทาสของสิ่งแวดล้อมใจเราจะสบาย เพราะฉะนั้นต้องขยันนะจ๊ะเอาเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็หยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆอย่างสบายๆบางเบาๆตามที่ได้แนะนำมานะจ๊ะ